เมื่อเช้าพูดถึงในเรื่องของมีตันหาเป็นเพื่อนกับมีอะไรนะกับมีศรัทธาเป็นเพื่อนใช่มมีศรัทธาเป็นเพื่อนเรารู้ไหมว่าศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็แปลว่าอะไรความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อ ความเชื่อความเลื่อมใสในสิ่งที่ควรเชื่อทีนี้ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เชื่อในกรรมและผลของกรรมตามความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยศรัทธาจะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้บอกว่าลักษณะของศรัทธาก็มีความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อเป็นลักษณะอะไรคือสิ่งที่ควรเชื่อ กรรมเชื่อกำและผลของกรรมไปแล้วและมีความเชื hmm. nope. mm ่อ hmm. ที่ดิ่งลงเป็นลักษณะก็หมายความว่าความเชื่อเป็นศรัทธาเนี่ยนจะต้องเป็นความเชื่อที่เป็นไปตามกเหตุและผลมันจะมีความเชื่อว่าอมูลิกาศรัทธาเชื่อแบบงมงายเชื่อแบบไม่มีเหตุผลกับอากาละวตีศรัทธาก็คือความช่าความเชื่อที่เป็นไปกับเหตุและผลหรือตามตามเหตุปัจจัยคือเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงอ่ะ ความเชื่อโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยไอ้ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยโดยมากก็เป็นไปด้วยอำนาจแห่งอธิมโมกข์เขาแปลวาการตัดสินใจที่เป็นไปด้วยโมหะการปร่งใจเชื่อด้วยอํานาจของความงมงายอันนั้นก็เรียกอามูลิกาสตาเป็นความเชื่อที่ไม่มีมูลเป็นความเชื่อที่ไม่ประกอบไปด้วยเหตุและผลเป็นต้นเรามั่นใจว่าเราเราก้าวข้ามเลยจากความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลหรือยัง หรือยังมีอมมลิกาสัทธาอยู่ความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลความเชื่อที่งมงายความเชื่อที่เป็นไปกับทิฏฐิความเชื่อที่ไม่ต้องการเหตุผลหน่อยฉันเชื่อของฉันอย่างเงี้ยฉันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราเชื่อว่าเราเป็นคนขี้โกรธฉันจะเป็นฉันอย่างเงี้แหละหรือฉันเชื่อว่าฉันเป็นคนแบบเนี้ยฉันสามารถให้คนอื่นฉันคิดว่าไอคนอื่นทําอย่างนั้นไม่ถูกแต่ฉันเชื่อว่าสิ่งที่ฉันทําเนี่ยมันถูกมีเยอะไหม ถ้าคนอื่นทําแล้วมันโอ้โหมันไม่ถูกอ่ะแต่ฉันเชื่อสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันดีอยู่แล้วถึงแม้ไม่ดีฉันก็จะเป็นตัวฉันแบบเนี้ยเคยมีเคยมีความเชื่อแบบนี้มั้ยเราบอกว่าบางคนจะบอกว่าฉันฉันเป็นของฉันแบบนี้ แล้วก็ฉันเปลี่ยนไม่ได้ฉันไม่ชอบอ่ะฉันชอบฉันอย่างนี้ฉันเป็นฉันอย่างนี้เรามีเรามีความปองใจเชื่อแล้วก็ตัดสินใจเชื่อแบบนี้เยอะไหมแล้วคิดเล <c oughs> ยงั้นว่านี่ฉันเป็นคนขี้โกรธฉันเป็นคนหงุดหงิดแล้วก็จะ แล้วก็คิดว่าอากับกิริยาที่ฉันเป็นแบบนี้ทุกคนจะต้องยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นฉะนั้นถ้าจะรักฉันจะชอบฉันก็ต้องชอบพฤติกรรมหรือสิ่งที่ฉันเป็นด้วยเราเราเป็นคนมีความเห็นแบบนี้ไหมอันนี้เป็นความเห็นที่เป็นอมูลิกาศรัทธานะไม่มีมูลเป็นอธิโมกเป็นการตัดสินใจเชื่อที่เป็นไปกับโมหะเป็นความงมงายอย่างหนึ่งนะ แท้ที่จริงมนุษย์พัฒนาได้ไหมออกจากความเชื่อแบบนี้ได้ไหมมาเป็นอากาลวตีศรัทธาด้วยเชื่อแบบมีเหตุและผลได้นี่ดังนั้นความเชื่อที่เป็นการไปกับเหตุกับผลความเชื่อที่เป็นในเรื่องของเชื่อในกรรมและผลของกรรมเป็นต้นคําว่าเชื่อในกรรมและผลของกรรมก็คือเข้าใจในเรื่องของกรรมกายกรรมวิจีกรรมมโนโกรรมที่เป็นทุจริตเนี่ยมันจะมีให้ผลยังไงกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริดมันจะให้ผลยังไงอย่างนี้เป็นต้นภาษาทะนรสาเนี่ย ปากขันธนันราสาก็มีความผ่องใสเป็นกิจเวลาความเชื่อเกิดขึ้นเนี่ยศรัท ธ, ธาเกิดขึ้นเนี่ยให้สังเกต ด, ดูสภาพจิตใจจะผ่องใสหรือมีความแล่นไปคําว่าปักขันธนะ น, นี่ก็แปลว่าแล่นไปแล่นไปแล่นไปไหนเดี๋ยวดูผ่องใสก่อนนะคำว่าผ่องใสมันเหมือนแก้วมันีที่ทําให้น้ําใสสะอาดได้ศรัท ธ, ธานเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็สามารถข่มอะไรได้ ค่อมจิตที่ขุนมัวกิเลสประเภทไหนทําให้จิตขุนมัวกามฉันท่ความกําหนัดยินดีทําให้จิตขุนมัวพยาบาทก็ทําให้จิตขุนมัวความโกรธความเกลียดทั้งหลายเนี่ยความหงุดหงิดทําให้จิตขุนมัวความโมโหท้อถอยก็ทําให้จิตขุนมัวความฟุ้งซ่านลาคาญใจก็ทําให้จิตขุนมัวนะความรังเลสงสัยก็ทําให้จิตขุนมัวอาการในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่า กลุ่มนิวรธรรมเป็นสภาพกิเลสที่มากั้นทำให้จิตไม่สามารถรู้ถึงความดีเนี่ยอันนี้ทำให้จิตขุนมัวสภาพจิตที่ขุนมัวเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือจะหายไปได้ก็ต้องอาศัยตัวไหนมากำจัดอาศัยศรัทธาเพราะศรัทธาเหมือนแก้วมนันีเวลาศรัทธาเกิดขึ้นในใจปุ๊บใสสว่างขึ้นมาก็กาจัดความขุนมัวออกจากใจได้อาลองดูสภาพใจเราตอนนี้ที่มีศรัทธาตัวนี้หม หายขุนมัวหรือยัง <c oughs> <c oughs> หายขุนมัวแสดงว่ามีศรัทธามีสภาวะของความเลื่อมใสทีนี้ไอการวิจิตที่ปราศจากเป็นจิตที่พ่องแผ้วพ่องใสไม่ขุนมัวอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการแล่นไปพอสภาพจิตที่พ่องใสเกิดขึ้นมาปุ๊บแล้วเนี่ยก็ริเริ่มในการที่จะทำสิ่งที่ดี ไม่ยอมท้อแล้วมุ่งในการที่จะมุ่งตรงต่อกุศลกรรมมุ่งตรงต่อการทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยก็คือแล่นไปมีความกล้ า, ม, า, ม, ลามีการแก้วกล้าท่านโดมายัางไงโอปมาเหมือนเวลามีพวกคนทั้งหลายเนี่ยเขาไม่กล้าข้ามแม่น้ำใช่ไหมมันจะมีพวกจระเข้มีสัตว์ร้ายอยู่เยอะไม่กล้าที่จะข้ามจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งน้น มันมีคนคนหนึ่งเนี่ยกล้ามากเดินไปก็ประกาศบอกท่านทั้งหลายตามเรามาเดี๋ยวเราจะพาท่านข้ามจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งโน้นก็ใช้อาวุธมีดาบมีมีอาอาวุธทั้งหลายมีมีดมีดาบเป็นต้นอะไรเนี่ยนะเข้าไปก็จัดการกำจัดอจระเข้หรือสัตว์ร้ายที่อยู่ในน้าอะ่ะให้ตกใจให้หนีไปแล้วก็กวักมือเรียกคนที่อยู่บนฝั่งเนี่ยบอกรีบมา เราจะป้องกันภัยอันตรายให้แล้วเราจะได้ปลอดภัยเข้าไปถึงฝั่งน้นได้เนี่เวลาศรัทธาเกิดขึ้นมามันจะมีลักษณะ น, นี้ปักขันทะนะคือแล่นไปแล่นไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเรามีความกล้าอย่างนั้นหรือยังเรามีเรามี ส, สภาพศรัทธาแบบนี้ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือมีสภาพเพียงการที่จะแล่นไปเกิดริเริ่มในการที่จะพากลุ่มสภาพจิตใจทั้งหลายที่จะแล่นไปถึงความดี ก้าไปสู่ทานกุศลศีลกุศลสมาธิกุศลภาวนากุศลไปเลยเดียปัญญากุศลทานศีลภาวนาก็ดาเนินไปได้โดยไม่ยากเมื่อคนมีศรัทธาก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าศรัทธาไม่มีเนี่ยกล้ากลัวกกล้ากลัวไม่กล้าเล่นมีไม่มีตัวนี้ไหมนี่กิจกิจของศรัทธาก็ทําหน้าที่เขอย่างนี้นี่อาการปรากฏเป็นยังไงมีความไม่ขุนมัวเป็นอาการปรากฏ หรือมีอัธยาศาัยน้อมไปก็หมายความว่าเวลาศรัทธามีกําลังแล้วเนี่ยก็ทําให้สภาพจิตใจทั้งหลาย เ, ยเนี่ยมีความไม่ขุนมัวเกิดขึ้นทันทีฉะนั้นในขณะที่ฟังทำรรในขณะที่ให้ทานในขณะที่จะรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นเหล่าเนี้ยสภาพจิตใจก็จะผ่องใสาอาถรรพ์ล่าเริงตลอดเลยเนี่ยลักษณะจะเป็นแบบนี้อะไรเป็นเหตุใกล้ของศรัทธาหรือไมอะไรเป็นเหตุใกล้ ความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นเหตุใกล้เป็นเหตุใกล้นะหรืออย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าโสตาปฏิยังค่าธรรมนี่ธรรมที่ทําให้เป็นพระโสดาบันเป็นเหตุใกล้ก็หมายความว่าเวลาคนมีศรัทธาแล้วเนี่ยเขามีความคิดยังไงรู้ไหมคิดว่า เชื่อม ana, a, like country, Bradley, ั 1945, not, nice. ่นในพระพุทธเจ้าใช่ไหมพอเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุคคลต้นแบบก็เลยมีความรู้สึกว่าเราจะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าให้ได้เนี่ยมีตัวเนี้ยเป็นเหตุใกล้มีอะไรมีพระพุทธเจ้ามีการปรารถถึงพระพุทธเจ้าเป็นเหตุใกล้แล้วก็ปรารถถึงตนเองปรารถถึงตนเองว่าเราก็จะฝึกตนเองจากมนุษย์ธรรมดาเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าให้ได้ แล้วก็มีความว่าปราัรบถึงพระธรรมว่าเราจะฝึกตนเองเข้าถึงความงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของพระธรรมเนี่ยเพื่อเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้หรือปารบถึงพา ร, ริยสงฆ์ว่าเราจะฝึกตนเองจะพุทุชนเข้าสู่ความเป็นอริยสงฆ์ตามพา ร, ริยบุคคลเหล่านั้นให้ได้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ามีการปารบถึงคุณธรรมในการที่จะฝึกตนเองเป็นพระโสดา บ, บันเป็นต้นเนี่ยเป็นเหตุไกลสท้าจะเป็นแบบนี้นะ โอ้โหเคยเกิดศรัทธาแบบนี้ั้ยแต่ก่อนแล้วก็บอกว่าทำไมก่อนแล้วว่าเวลาเราเรียนหนังสือเราก็อยากจะกเรียนจบอะไรก็ว่าไปใช่ไมเอาอยากเป็นหมอโอ้โหปลาลบใหญ่เราอยากเป็นมาเยอะไหมตอนเด็กๆอยากเป็นอะไรฮตอนเด็กอยากเป็นอะไร อ, อยากเป็นครูใช่ไ้มแล้วได้เป็นไหม ไม่ได้เป็นแสดงว่าความต้องการหรือเจตนาของเราไม่แข็งแรงถ้าแข็งแรงก็ได้เป็นไปแล้วใช่ไหมแล้วต่อมาอยากเป็นอะไรอีกอยากเป็นอะไรอีกอยากเป็นอะไรยอมพี่หญิงใหญ่อยากเป็นอะไรแต่ก่อนและได้เป็นไหม แล้วต่อมาอยากเป็นอะไรไ จ, ะ <c oughs> จริงเลย จ, <c oughs> จริงๆมันมีความต้องการนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแรงพอไงใช่ไหมเข <c oughs> ไม่มีความต้องการจะเป็นอะไรเลยเลยนี่แลวและ และตอนพอโตขึ้นมาอยากเป็นอะไรก็ทุกวันนี้ไงที่ก็เป็นเราก็เป็นอย่างที่เราต้องการแล้วใช่ไหมลรามันก็มาจากความมาจากเจตนามาจากความต้องการมาจากความเชื่อที่เราจะเป็นนั่นแหละและเราก็ได้เป็นที่จะถามต่อคือว่าเคยอยากเป็นพระอริยมั้ย แล้วทุกวันเนี่เคยอยากเป็นไหมยอยากเป็นอยากพ้นทุกไหมยก็อันเดียวกันนั่นแหละอยากพ้นทุกก็คือการเป็นพระอริย น, นั่นเองอันเดียวกันนั่นแหละทีนี้ในความพ้นทุกของเราเนี่ยอะไรคือความทุกข์ของเราในความเข้าใจของเราเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ก็สรุปแล้วเราก็อยากเป็นพระริยานั่นเองใช่ไหมอยากเป็นพระโสดาบันอยากเป็นพระสกทาคาอยากเป็นพระนาคาอยากเป็นพระทหารใช่ไหมเราอยากพ้นทุกข์เราอยากเย็นนิพพานนั่นเองแต่ความอยากของเราเนี่ยเป็นอยากแบบไหนอยากที่เป็นฉันทะกุศลฉันทะหรืออยากที่เป็นตัณหา กษัตริย์ชันท่าใช่ไหมเป็นความอยากความต้องการที่มีความรู้เหตุปัจจัยชัดไหมชัดเลยใช่ไหมว่าเราดําเนินเราจะเราเข้าถ้าเราปรารถนาอยากจะพ้นทุกเนี่ยก็คืออยากจะนิพพานเนี่ยก็ต้องเข้าใจอริยสัจใช่ไหมเพราะอริยสัจมีสี่นี่หนึ่งคือทุกสองคือสมุ ท, ทยัยสามคือนิโรธสี่คือมรร เราอยากจะพ้นทุกข์ก็คือเราอยากจะได้อะไรอยากจะได้นิโรธหรืออยากจะได้นิพพานใช่ไหม้อยากจะได้นิโรธหรือ e? อยากจะได้นิพพานเนี่ยอะไรล่ะที่จะเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงนิโรธหรือถึงนิพพานได้ก็มรคใช่ไหมข้อที่สี่ใช่ไหมไม่ใช่ข้อที่สองในข้อที่สองนี่เาเรียกสมุทัยใช่ไมอันนี้เป็นเหตุของเป็นเหตุของนิโรธหรือเป็นเหตุของทุกข์เป็นเหตุของทุกข์ นั่นเมื่อเราปฏิบัติหรือทําให้สมุทัยเกิดขึ้นทําให้ราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นทําให้มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปะเป็นต้นเกิดขึ้นจนถึงมิจฉาสมาธิเกิดขึ้นไอ้ น, นี้เป็นเหตุของเป็นเหตุของอะไรก็เป็นเหตุของทุกซี่ใช่ไหมไม่ใช่เหตุของนิโรดนี่บางทีความต้องการของเราความปรารถนากับเราของเรากับการกระทําของเรามันสวนทางกันไหม ที่ผ่านมามันสวนทางกันไงใจนะเราปรารถนาอยากจะได้นิโรธแต่เราก็มารประกอบประกอบข้อไหนประกรอบข้อสมุทยัยมาดำเนินตามมิจฉามักมาดำเนินตามบลรพาโทสะโมหะมาดำเนินตามกายทุจริตวิจีชุจริตมโนทุจริตแต่เราบอกเราอยากพ้นทุกข์ถึงจะอยากพ้นทุกข์จนปากฉีกมาถึงหูพลานาพัมบ่นจนปากฉีกถึงหู มันจะไปไหนมันก็ไปหาทุกมันก็ไปจมอยู่กองทุกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะความต้องการของเรากับการกระทาของเรามันสวนทางกันเข้าใจอย่างตัวเนี้ยดัยงนั้นเพราะเราเนี่ยไม่ไม่ชัดในอริยสัจนี่แหละมันถึงเป็นแบบนี้ <c oughs> เอาละต่เนี้ยสรุปแล้วว่าสมูทัยนี่เป็นเหตุของทุกนี่แปลว่าไอ้ตัวตัณหาเป็นตัวโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุก มันเป็นตัวโรงงานเลยนะมันเป็นตัวเจ้ากรมใหญ่เจ้าการใหญ่เลยนะตัณหาเนี่ยการมตัณหาบาวตัณหาวิบวตัณหาเนี่ยมันเป็นเจ้าการใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนทุกให้เลยมันเกิดร่วมกันกับกรรมเกิดร่วมกันกับโมหะคือความไม่รู้เกิดร่วมกับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเกิดร่วมกับสังขารคือปุญญาวิสังขารนะปุญญาอนินชาพิสังขารเนี่ยมันเป็นตัวผลิตชิ้นส่วนทุก ชิ้นส่วนของผมขนเล็บ <Bentley>? ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันกลับมาสมองชิ้นส่วนคือเวทนาทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาเบขาเวทนาชิ้นส่วนของสัญญาขันสังขารละขันวิญญาณขันเนี่ยทั้งรูปธรรมและนามธรรมรือขันห้าขันห้าของสัตว์นรกใครเป็นตัวผลิตไอตันหานี่แหละเป็นเจ้ากลมใหญ่เตัวผลิตขันห้าของสัตว์เดรัจฉานใครเป็นตัวผลิตก็ไอตัวตันหาเป็นตัวผลิต ขันหของเปรตขัน5้าของอสุรกายขันห้5ของมนุษย์ขัน5้าของเทวดาแม้ขัน5ของพรมที่จมหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะทั้งหลายก็ไอตันหานี่แหละเป็นเจ้าการใหญ่ในการผลิตเป็นโรงงานใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนของทุกชิ้นส่วนของขัน5นี้เราเห็นหรือยังว่าขอบเขตของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากฉะนั้นที่เราได้รูปรขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมาเนี่ย อยู่ในอาณาจักรหรือแวดวงของตันหาเพราะเราปรารถนาการเกิดเราอยากพ้นทุกข์แต่เราก็ไปสร้างผิดแล้วก็ไปช่างสร้างมิจฉามากักแทนที่เราจะดําเนินข้อที่4แล้วก็มาดําเนินอริยสัจข้อที่2มาดําเนินด้วยความโลภโกรธหลงมาดําเนินมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามามิจฉาสติมิจฉาสมาธิ เวลาเรามาเจริญกุศลก็เป็นกุศลแบบมีเงื่อนไขแบบมีตัณหามีอวิชาเนี่ยคอยดักหน้าดักหลังอยู่มาจากความไม่รู้เราคิดว่าการเป็นมนุษย์สุดยอดเป็นเทวดาสุดยอดเป็นพรหมสุดยอดแล้วก็มาทํากรรมดีที่เป็นไปในวัฏฏะเราก็นึกว่าเอ้อในการเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดเทวดาดีที่สุดพรหมดีที่สุดเป็นต้นมันก็ไม่สามารถจะออกจากสังสารวัฏออกจากวัฏฏะได้ใช่ไหม ไอตัวตันหาเป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นเจ้าการใหญ่เป็นตัวโรงงานผลิตชิ้นส่วนรูปปั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้กับเราแล้วพอเราได้อัธยาศัยมาได้รูปขั้นมาเวทนาสัญญาได้ตาหัวจมูกเล่นกายใจมาอันนี้เป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าพอได้มาแล้วเนี่ยเป็นที่ตั้งของเวทนาแล้วก็มาทํากรรมใหม่เวลาทํากรรมใหม่อีกแล้วก็ไม่ฉลาดในการทํากรรมอีกไม่ฉลาดอีกแล้วก็มาทํากรรมที่มีเงื่อนไข เป็นกรรมดําให้วิบากดํากรรมขาวให้วิบากขาวกรรมทั้งดําและขาวให้วิบากทั้งดําและขาวคล้าเคล้ากันไปแล้วก็มาทําบาปบ้างบุญบ้างบาปบ้างบุญบ้างปนกันอยู่เงี้ยใช่ไหมล่ะมีทั้งกุศลอกุศลกุศลอกุศลบุญและบาปสลับคล้าเคล้าอยู่เงี้ยกุศลก็นําเกิดในสุคติอกุศลก็นําเกิดในทุคติมันก็วนอยู่เงี้ยสุคติทุคติสุคติทุคติก็วนอยู่ในสังสารวัตออกไม่ได้เพราะเราเดินข้อ2สลับกันกับกุศลที่เป็นไปในวัฏฏะ ถ้ากุศลที่เป็นเปในวตาก็ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิใช่ไหมก็มีฉาทิฏฐิอีกไปเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวั t มันดีนี่แหละให้ไปมาก็เลยวนวนวนเนี่ยก็เลยได้เนี่ยเห็นไหมมองเห็นหรืยังว่าจริงๆความไม่ชัดเยนในอริยสัจเนี่ยแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไม่ถึงไม่พอเอาถ้าจะตั้งอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆต้องตั้งอัธยาศัยยังไงต้องรู้ขนาดไหนจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิ รู้ขนาดไหนเวลาเราขับรถจะกลับกรุงเทพจุดมาเราต้องรู้ชัดไหมต้องรู้ชัดว่าจะต้องถึงกรุงเทพแน่นอนแล้วก็รู้เส้นทางแนวทางว่าจะไปยังไงด้วยใช่ไหมทีนี้เวลาเราให้ทานเจริญศีลรักษาศีลฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ เวลาเราให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้ไหมให้เพื่ออะไรเวลาเราเอาอาหารถวายพระพระกตรับปุ๊บเตอนนั้นคิดยังไงไม่ที่ผ่านมาก่อนจะเพิ่งเนี่ย เนี่ยอย่างเงี้ยทนีเขาเรียกว่าชัดหรือไม่ชัดมันไม่ชัดมันเหมือนกับว่าคุณจะไปไหนไม่รู้ันไม่รู้อ่ะฉันก็ไปอย่างเงี้ยคิดว่าจะเนี่ยจะขับรถไปนี่แหละจุดหมายคือที่ไหนไม่ทราบถึงไหมไม่รู้นี่เขาเรียกว่าไม่เห็นจุดหมายแล้วทำคือยังไม่รู้เลยแล้วขยันเนี่ยไอ้คำว่าไม่รู้เลยว่าจะไปยังไงก็ขยันจะทำกันแล้วเนี่ย เหมือนนั่งเรียนเนี่ยนั่งฟังธรรมะเนี่ยเราฟังธรรมะเพื่ออะไรเราหวังอะไรจึงมานั่งฟังหลังแข็งกันอยู่เนี่ยฮะเราต้องการได้ข้อมูลได้ความรู้ได้สัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องแต่จุดหมายของเราหรือต้องการจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องต้องการฝึกตนเองเพื่อเข้าถึงนิพพานให้ได้แล้ว เ, เราคิดอย่างนั้นตลอดไหม เหมือนขับรถเนีจเไไน่จะไปกรุงเทพใครถามว่าไปไหนจะไปกรุงเทพถึงก็ยังยั ง, ยงแต่จุดหมายคือไปไหนบอกไปกรุงเทพอันนี้เหมือนกันในนี้ะไระหว่างทางใช่ไหมตอนเนี้ยเราศึกษาธรรมะก็ดีให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีจุดหมายเราชัดไหมว่าเราจะไปนิพพานถ้าไม่ชัดก็แล้วพวกเนี่ยแปลว่าสมาธิยังไม่เกิดจุดหมายเรายังไม่ชัดเลยเนี่ย อพูดกันไม่รู้เข้าใจกันไหมเนี่ยเข้าใจว่าไม่เห็นไม่เห็นผลของของการกระทําแล้วแล้วก็ทำํำฉะนั้นทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยท่านบอกให้เห็นผลของการกระทําก่อนจึงค่อยทำว่าเราต้องการอะไรจุดหมายอะไรในที่เราทําเนี่ยเหมือนบอกให้ทานละปารบสงท่านเป็นตัวแทนของสงทั่วสังฆมณฑลพอเป็นตัวแทนแล้วอะไรต่อ พระโสดาบันพระสกท า, าคามีพระนาคามีพระทหารท่านมีคุณธรรมเหล่าใดที่ท่านเข้าถึงคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ด้วยการถวายทานกุศลข้าพเจ้าในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณธรรมเหล่านั้นด้วยเถิดได้ชัดเจนขนาดนีด้ไหมถ้าชัดเจนอย่างเนี้เขาเรียกว่าคนมีความชัดเจนในการทํามีจุดหมายชัดมีเป้าหมายชัดมีอุดมการ์ชัดทํําทาไมคุณต้องให้ทาน ฉันปรารถนาความพ้นทุกข์ทำไมคุณต้องบูชาบูชาคุณของหมู่สงนั้นเพราะสง์นั้นมีศีลคุณสมาที่คุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณนะทัศนคุณเพราะท่านมีอริยธรรมธรรมที่ให้เป็นพระอริยะเพราะท่านได้เข้าถึงพระนิพพานเห็นไหมเพราะท่านมีคุณธรรมที่สามารถเข้าถึงความดับทุกข์และพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นด้วยการที่ข้าพเจ้ามีอาหารและบูชาคุณของท่านเหล่าเนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในการเข้าถึง คุณธรรมเหล่านั้นแล้วเข้าถึงความดับทุกข์ตามท่านเหล่านั้นด้วยเถิดมีชัดไหมถ้าเราให้ทานแบบนี้เออให้ทานแบบนี้ก็ชัดสิแล้วทําไมเราต้องรักษาศีลเราจเจริญศีลเราต้องการาคุณธรรมเหล่านั้นของพระญาติาบุคคลทั้งหลายนั้นมาผุดพึ่บปฏิบัติและจุดหมายของเราที่รักษาศีลเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การเข้าถึงพระนิพพานใช่ไหมล่ะ สีเลนสุขติงยันติสีเลนโภกสัมปทาสีเลนนิพภูติงยันติเนี่ยตัดสมาสีลังวิโสทะเยเนี่ยและปรารถนาความพ้นทุกข์เราจึงรักษาศีลและปรารถนาความพ้นทุกข์เราจึงเจริญภาวนาทานศีลภาวนานเป็นหัวใจของเราเป็นจุดหมายของเราในการที่เราต้องทําเป็นทาง ด, ดําเนินเป็นมรรคของเราเป็นเส้นทางของพระรยาทั้งหลายที่ท่านดำเนินไปทางสายนี้ที่เข้าไเจ้าดําเนินตามทางสายนี้เพราะเข้าไเจ้าปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ยมันชัดอย่างนี้มันเห็นเส้นทางอย่างนี้ถึงทำ <laughs> ไม่ใช่ไม่เห็นเลยแล้วทํายังไม่ใช่ <laughs> มองเห็นอย่างเดีจากนั้นทึาบอกว่าปาลบพระสองเพราะว่าพระสองโมสอ์เหล่านั้นท่านเข้าถึงซึ่งอริยคุณและท่านเข้าถึงพระนิพพานเราจะปรารถนาเราขอมีส่วนใช่ไหมคุณธรรมใดที่ท่านเข้าถึง ขอให้เขาไปเจ้ามีส่วนในคุณลธรรมเหล่านั้นด้วยเถิดใช่ไหมล่ะแล้วปารบพระโสดาบันสกาทานาคาพภารันท่านมีศีลคุณมีสมาธิคุณมีปัญญาคุณมีวิมุตติคุณมีวิมุตติญาณทัศนคุณท่านได้เข้าถึงท่านดําเนินตามอริยามรตมีองค์ท่านได้กําหนดรอบรู้ทุกท่านละสมุไทยท่านทํานิโรธให้แจ้งท่านดําเนินอบรมอริยามรคให้เกิดขึ้นแล้วฉะนั้น อริยสัจจะทำทั้งสที่ท่านเห็นท่านเข้าถึงนะฮะท่านได้รอบรู้ทุกอย่างไรขอให้เข้าพเจ้ามีส่วนในการรอบรู้ทุกอย่างนั้นท่านละสมุทัยอย่างไรขอให้เข้าพเจ้ามีส่วนในการละสมุทัยอย่างนั้นท่านเข้าถึงนิโรธอย่างไรขอให้เข้าไเจ้าเข้าถึงนิโรธอย่างนั้นท่านอบ ร, รมอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในกระแสขนัขนกระแสชีวิตอย่างไรขอให้เข้าไปเจ้ามีส่วนในการอบรม อดีมากมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นที่เกิดขึ้นในกระแสชีวิตข้าพเจ้าเช่นเดียวกันเนี่ยข้าพเจ้าที่เอาทานกุศลบูชาคุณของอมัวเรียสง์เหล่านั้นศีลกุศลหรือภาวนากุศลทั้งหลายเพราะข้าพเจ้าปรารถนาจะเข้าถึงคุณธรรมที่ท่านได้มีและได้เข้าถึงนั้นด้วยเอาตะคิดอย่างนี้จะชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแล้วทําอย่างนี้ไหมวเวลาคิดเวลาเราไปให้ทานคิดอย่างนี้ไหมต่อไปก็ฝึกใหม่ ใช่ไหมพี่ผ่านมาแล้วก็ปรับปรุงใหม่แก้ไขใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ก็เรียกปฏิกรรมใหม่ใช่ไหมปฏิกรรมก็คือเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขทําให้มันดีขึ้นทําให้ชัดเจนขึ้นถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเราก็มีเจ้าปุดจุดจุดหมายชัดนะชัดแล้วแต่นี้ทําอะไรก็จะไม่เลอะเรือนไม่ฟัน่นเฟือนไม่เลือนหลงไม่หลงไม่ไม่งมงายแล้วเป็นศรัทธาที่โลดแล่นเป็นศรัทธาที่พ่องใสปัก ปักคันธนสัทธาก็คือแล่นไปเลยเนียโหกิตของศรัทธาเกิดขึ้นโอ้ยทำลายตัวนิวรธรรมมีการมาชันท่พยาบาทใช่ไหมจิตก็พองไสเอิบอิ่มสภาพจิตก็โหไม่ขุนมัวเลยพองแผ้วสะอาดเอี่ยมอ่องพ่องแผ้วไม่มีมวลทินจิตแข็งแรงจิตกล้าวกล้าจิตอาถานจิตที่เป็นไปกับปัญญาสถานก็ปักดิ่งลงเชื่อมลงกับยานะเชื่อมลงกับปัญญาเลยเนี้รู้เข้าใจเลยในการให้ทาน มีจุดหมายชัดเหมือนที่บอกบ่อยๆนี่แหละว่าไปนั่งเครื่องบินที่สนามบินเชียงรายปุ๊บพอเช็คอินเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยเราจะไปไหนไปเชียงรายไปขึ้นเครื่องบิน เ, เกตที่เท่าไลายไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยอะไม่รู้ใช่ไหมบอกจะไปไหนจะไปกรุงเทพ แล้วจะไปยังไงไม่รู้ห้ามในาศาสนานี่ห้ามจะไปนิพพานจะไปยังไงไม่รู้ก็าพาอธิษฐานก็อธิษฐานไปก็าพาพูดก็พูดไปไม่ใช่อย่างนั้นนะยากไหมยากไหมยากยากแต่ท้าทายไหมท้าทายหรือเปล่าเนี่ยท้าทายมากท้าทายว่า หนึ่งชีวิตของเราเนี่ยจะสามารถฝ่าฟันปัญหาลูประสาทไปถึงความพ้นทุกได้หรือไม่นี่ท้าทายมากวัดกันนะเนี่ยวัดกันเนี่ยที่นั่งๆอยู่เนี่ยวัดกันเลยนะว่าใครจะถึงเส้นชัยใครไม่ถึงก็หลุดไปไม่ว่ากัน <c oughs> ใจดำไหมคนวิ่งไม่ถึงเองไงใช่ไหมบอกแล้วบอกเส้นทางแล้วบอกวิธีการแล้วบอกข้อปฏิบัติแล้ว คุณมาเฉยชาเองไม่วิ่งนี่เหมือนนักกีฬาเนี่ยตอนนี้เราเป็นนักกีฬาไหมเป็นเป็นนักกีฬานะในตอนนี้ตอนนี้เราเหลือเวลาวิ่งอีกกี่กี่รอบเนี่ ย, ยเวลาวิ่งไปกี่รอบแล้วนะอย่างบางคนอย่างเ อ, อือวเหล่ อ, อยู่เลยนะใช่ไหม ท้าถ่ายมากว่าเราจะสามารถป่าฟันปัญหาอุปสรรคในบรรดาบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ก็พากันมัวเมากันอยู่แต่เราจะฝึกตนเองให้แข็งแรงให้เข้มแข็งสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคเนีเข้าไปถึงหลักใจได้ยังไงคือพนันธิพัณฑในการพ้นทุกเดินให้ผิดให้อย่าเดินผิดช่องนะ <c oughs> อย่าเดินผิดช่องนะอริยสัจสี่อย่าเดินผิดช่องนะเขาใหาเดินช่องมรคทางดําเนินคือช่องมรคใช่ไหม ไม่ช่ไปเดินช่องสมุทรไทยหรือไปเดินช่องที่เป็นมิจฉามากเนี่ยก็ห้ามนินวัดกันเลยนะแต่เนี้ยมถึงที่สุดจริงๆแล้วก็พอสมมุติถ้ามีใครที่นั่งอยู่ที่นี่บรรลุปุ๊บเห็นอีกกลุ่มนะึงยังไม่ได้บรรลุยังเดินผิดทางอยู่เลยก็บอกบอกแล้วบอกให้เดินช่องที่สี่ไม่เดินช่องสองอยู่นั่นแหละ <laughs> ไม่เข้าใจโอ้ เราจะกรุณาใครดีนี่งั้นตถาคตโพธิสัตถาก็คือเชื่อในปัญญาตัดสรุปของพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าว่าพราะพุทองค์ในตัสรุปจริงตัดสรุปถูกต้องตัดสรุปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอำนาจแห่งพระสัพพยุตยานเนี่ยนะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสยอย่างนั้นทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาทำมันเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาและเหตุที่ทําให้บุคคลเกิดศรัทธามีสิประการนะ หนึ่งความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ความเป็นผู้มีศีลบริรสุทธิ์เนี่ยเป็นเหตุให้เกิดศรัทธา น, นะสองความเป็นพระหูสตรพระหูสุดตะเนี่ยแปละเข้าใจคำว่าพระหูสุดไหมผู้หูนี่แปลว่ามากสุดตะวาฟังฟังมากฟังมากฟังแล้วจำไม่ได้ก็ไม่เรียกพระหูสุดนะ ฟังมากจำมากทรงจำไวมากเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจในการที่ฟังฟังมากไม่ใช่ฟังสเสพสะปะนะฟังข้อมูลที่นำตนออกจากวัฏทุกด้วยนะแล้วก็ความเป็นผู้สันโดษสันตุถีป ร, ป ร, ปรมังทันสันโดษที่แปลว่าอะไร <c oughs> สันโดษที่ เ, าเรายินดี ในสิ่งที่ของตนเองที่มีอยู่ไม่ใช่ไปยินดีของคนอื่นไปยินดีเฉพาะของตนเองนความเป็นผู้ความเป็นผู้ได้สมาธิออได้สมาธิได้ฝึกสมาธิเนี่ยจะเป็นเหตุที่ตั้งศรัทธานะคนที่ไม่ได้สมาธิเนี่ยคนที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยศรัทธาไม่เกิดไม่เป็นที่ตั้งอีกศรัทธาหรอกนั้นศรัทธาจะมาได้ตรงจิตที่ตั้งมั่น หรือความสิ้นกิเลสเป็นต้นอะรเนี่ยนะในรายละเอียดนี้ศนระัทธาเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้ไว้ก่อนศรัทธาทำให้เกิดคุณธรรมสิบสองประการนะพอมีศรัทธาปุ๊บเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็ย่อมเข้าไปหาสัตว์บุรุษนี่ข้อแรกนะถ้าไม่เกิดศรัทธามันจะไม่เข้าไปหาผู้รู้แต่พอเกิดศรัทธานี่แหละถึงจะ พยายามขวนขวายในการที่จะนําตนเองเข้าไปหาผู้รู้มองออกไหมนี่ข้อแรกนะเมื่อเข้าไปหาสัตว์บุรุษแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้สัตว์บุรุษนั้นข้อที่สองยิงไหมเพราะเพราะศรัทธานี่แหละถ้าจึงเข้าไปหาสัตว์บุรุษเขาเป็นข้อแรกเมื่อเข้าไปนั่งใกล้แล้วเมื่อเข้าไปเข้าไปใกล้แล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปหาสัตว์บุรุษแล้วเข้าไปนั่งใกล้ ข้อที่สเมื่อนั่งใกล้สัตบุรุษแล้วย่อมเงี้ยโสดเงี้ยโสดลงเข้าใจคําว่าเงี่ยเงี้ยโสดลงไหมมีใจน้อมลงมีใจน้อมลงในการที่จะฟังเมื่อเงี่ยโสดลงแล้วย่อมได้สดับฟังก็คือสดับฟังเป็นข้อที่สข้อที่หเมื่อสดับ ธรรมะนั้นแล้วย่อมทรงจำธรรมะไว้เราได้ถึงห้าข้อหรือยังเข้าไปหาสัตว์บุรุษเข้าเข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้ข้อที่สามก็คือเงี่ยสดลงก็คือมีใจน้อมลงมีใจน้อมลง ข้อที่สี่ก็คือย่อมได้สดับธรรมะพวกเรามีครบไหมข้อที่หนึ่งมีแล้วนะข้อที่สองเข้าไปนั่งใกล้มีแล้วข้อที่สามน้อมใจลงข้อที่สี่ย่อมได้สดับธรรมะข้อที่ห้าย่อมทรงจําธรรมะไว้เริ่มหลุดแล้วนะเริ่มหลุดเลยนะได้ฮะข้อที่หกเมื่อทรงจําธรรมะนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความเ่งธรรมะนั้น มเอามาคิดเอามาไตรตรองเอามาไขาควณพิจารณายัางได้ข้อหกหรือยังไตรตรองเนื้อหาของธรรมนน า, านั้นได้หรือยังข้อนี้เข้าถึงหรือยังไตรตรองไขควณวิจัยแยกแยะได้ยังข้อที่7เมื่อไตรตรองเนื้อหาของธรรมานั้นอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อการตรวจสอบธรรมะ ที่เราไปพิจารณายิ่นเช่นศรัทธาก็ดีความเพียรก็ดีนะี่ปัญญาก็ดีที่เราไปไตรตรองไข้ควรเนี่ยสติก็ดีสมาธิก็ดีขันติก็ดีเนี่ยยิ่งตรวจสอบยิ่งคร่ควรเยี่ยงวิจัยเขาจะทนทนต่อการเพ่งก็คือจะเห็นมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะเห็นเนื้อความนั้นชัดขึ้นความเข้าใจมันจะเด่นชัดขึ้นชัดขึ้ น, น, นเรียกทนต่อการเพ่ง ทวนต่อการตรวจสอบทีนี้เมื่อเพราะยิ่งตรองนี่แหละยิ่งไตรตรองยิ่งใข่ควร น, นี่แหละก็ยิ่งลึกซึง้งเพราะเกิดลึกซึ้งขึ้นมาก็เกิดชันทะเกิดชันทะเกิดความพอใจอย่างแรงกล้าฟยรู้ไฟเรียนไยศึกษานะมันเกิดความเกิดชันทะขึ้นมาเลยทีนี้ เมื่อกุศลฉันท่าเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดอุตสาหะดีพลังมันมาแล้วอุตสาหะแล้วเมื่อเกิดอุตสาหะแล้วก็ย่อมไตรสวนธรรมานั้นไตรสวนธรรมนั้นเมื่อไตรสวนธรรมานั้นก็ตั้งความเพียร บกเลยเนี่ยเพียนแล้วตั้งความเพียนปารลบความเพียนขึ้นมาแล้วขณะที่กำลังตั้งความเพียนนั้นอยู่ข้อสิบสองน้อมากทำปรมัตตสัจจานั้นให้แจ้งด้วยด้วยปัญญาใช่ย่อมไปเห็นด้วยนามากายเห็นแล้วแล้วก็สามารถที่เข้าไปเห็นแจ้งในปรมัต ธ, ธรรมหรือในสภาวะธรรมนั้นด้วยนามากาย แล้วก็ช่ำแลกกิเลสเข็นปรมัตถสัจจานั้นได้ด้วยปัญญาที่สิบสองประการเนี่ยเห็นไหมจากศรัทธาสิบสองประการนะเอเร็วไปว่าข้อที่สิบเกิดอุตสาหะแล้วก็ย่อมไตรสวนธรรมะข้อที่สิบเอ็ดเมื่อไตรสวนธรรมะแล้วก็เริ่มตั้งความเพียรตั้งความเพียรข้อที่สิบเอ็ดนะ ข้อที่สิบสองในขณะที่ตั้งความเพียร น, นั้นอยู่ย่อมทำปรมตทสัจจานั้นให้แจ้งนะคือจิตใจนะก็จะเห็นแจ้งเข้าใจชัดแจ้งขึ้นด้านจิตใจนะนะแล้วต่อมาเนี่ยมันก็จะสามารถกันกิเลสได้กำจัดกิเลสได้ด้วยปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงนะ เห็นไหมจากอนิสงของการฟังเนี่ยธรรมดาไหมเห็นไหมจากการฟังเนี่ยถ้ามันจะลึกลงไปตามลําดับเลยนะตั้งแต่เมื่อเกิดศรัทธาแล้วเข้าไปหาสัตบุรุษคือผู้รู้ทั้งหลายข้อแรกข้อที่สองเมื่อเข้าไปหาสัตบุรุษแล้วก็ย่อมเข้าไปนั่งใกล้สัตบุรุษนั้นข้อที่สามเมื่อนั่งใกล้สัตบุรุษแล้วย่อมเงี่ยโสดลง ก็คือมีจิตน้อมลงในการที่น้อมใจที่จะฟังตั้งใจที่จะฟังนั่นเองเมื่อเงี่ยโสดลงหรือน้อมใจลงแล้วก็ย่อมได้สดับธรรมนั้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องข้อหเมื่อสดับธรรมนั้นแล้วก็ย่อมทรงจำจำได้นะจได้ทุกขั้นตอนข้อหเมื่อทรงจำได้แล้วก็ย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมนั้นนี่ตอนนี้วิจัยไตรตรองแล้ว ข้อที่เจเมื่อไตรตองเนื้อความเหงื่งธรรมะนั้นอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อการตรวจสอบยิ่งยิ่งไตรตองยิ่งชัดไหมย่อมเห็นชัดขึ้นเมื่อไตรตองธรรมะนั้นอยู่ก็ยิ่งลึกซึ้งพอลึกซึ้งกันมาก็ย่อมเกิดกุศลและฉันทะพอเกิดกุศลและฉันทะปุ๊บข้อที่เกก็ย่อมเป็นเหตุให้เกิดอุตสาหะอุตสาหะนี่เป็นชื่อของ การปารบความเพียรเบื้องต้นนะเพราะเกิดอุตสาหะปุ๊บก็ย่อมไตรสวนธรรมะต่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อไตรสวนธรรมะแล้วก็ตั้งความเพียรเนี่ยปารบความเพียรขึ้นมาเลยเนี่ยเพียรในการละบาปเพียรในการเจริญกุศลเกิดแล้วในขณะที่กําลังตั้งความเพียรไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆข้อสิบสองย่อมทำปรมัทัศั์จะเห็นความจริงให้แจ้งใจละจิตใจก็ไปเห็นความจริงสติก็ไปเห็นความจริง สติสมาธิทั้งหลายเหล่านี้เข้าไปเห็นความจริงนั้นแล้ะและในสุดจริงก็สามารถชำระ ก, กิเลสละ ก, กิเลสได้ด้วยปัญญานี่ข้อทีบสองนี่ทำปัญญาให้เกิดขึ้นเลย <c oughs> อันนี้ก็จะขั้นตอนของศรัทธามันจะดำเนินไปแบบนี้แหละ อันนี้ลักษณะบุคคลที่มีศรัทธานะที่หนักไปทางด้านศรัทธาจริตจะเป็นยังไงให้สังเกตใ ค, ใครที่นั่งอยู่นี้ใครเป็นคนมีศรัทธาจริตบ้างไม่มีเลยหรือใครสังเกตดูนะถ้ามีศรัทธาจริตจะมีลักษณะเจ็ดประการนหนึ่งชอบบริจาคทรัพย์เป็นนิสใหสังเกตจยชอบบริจาคทรัพย์เป็นนิสข้อแรกนะ ข้อที่สองมีความต้องการพบเห็นพระริยาเจ้าต้องการพบเห็นพระริยาเห็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นเลยเนี่มีความปราถนาข้อที่สก็คือมีใจใค่ในการฟังพระธรรมพระสัจธรรมเรือเราเป็นคนชอบฟังธรรมไหมข้อที่สี่ก็เป็นผู้มากไปด้วยปลาโมด ก็คือจิตจะล่าเริงตลอดมีพื้นฐานทางด้านจิตใจล่าเริงตลอดเลยจิตเบิกบานจิตล่าเริงผ่องใสตลอดมีอัธยาศัยอย่างพวกพวกที่หนักด้วยศรัทธาจริตจะพญล่าเริงเป็นไหมล่าเริงตลอดเวลาเลยเลยไม่ใช่ล่าเริงในกรารบุคคลนะเป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่มีจิตล่าเริงจิตเบิกบานตลอดจิตปโปร่งโลกเกลี้ยงเกลาตลอดเลยเป็นคนมีมีพื้นเทยอย่างนี้ย ข้อที่ห้าก็คือเป็นคนไม่อ้วอวดหกก็ไม่มีมายาข้อสุดท้ายก็ความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใสก็คือมักจิตใจจะผ่องใสเลื่อมใสในเรื่องที่เป็นไปกระเหตและผลเนี่ยคนที่หนักในศรัทธาจะเป็นอย่างนี้และอา น, นิสงส์เนี่ย ถ้าเราเป็นคนที่มีศรัทธานี่นะจะได้รับอันส์งก็คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าจะอนุเคราะห์จะอนุเคราะห์บุคคลที่มีศรัทธาก่อนหรือไม่มีศรัทธาก่อนนั้นคนที่มีศรัทธาก่อนทำไมพระพุทธเจ้าจึงโปรดท่านโกนทันยาก่อนเป็นคนแรกเพราะใช่เพราะพันอัญญากนญัามีศรัทธาที่ตั้งไว้ในอดีตมาดีมาก แล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่มาโปรดเราก่อนเป็นคนแรกเพราะว่าเราไม่มีศรัทธานี่เราเสียหายมากเลยส<า>เสียหายเลยนะังนั้น่พระพุทธเจ้าเห็นเราปุ๊บใช้ใช้ภาษาปัญญาญาณตรวจสอบปึ๊บโอ้ไม่ได้ตั้งศรัทธาไว้มากพระพุทธเจ้าก็ปล่อ ย, ป ล, อยปล่อยไว้ก่อนเห็นใครเห็นศรัทธาในกระแสใจของท่านพระอัญญาโคนันยะพระองค์ไปเลย เวลาจะอนุเคราะห์พระพุทธเจ้าจะอนุเคราะห์คนที่มีศรัทธาก่อนฉะนั้นจึงตั้งศรัทธาไว้ในพระราชณัฏย์ไตรและตั้งอัธยาศัยว่าถ้าข้าพเจ้าพ้นทุกในอัตภาพนี้ได้ในการของพระพุทธเจ้าองค์นี้ได้ให้พ้นทุกถ้าไม่พ้นทุกไปในการของพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปขอให้พระพุทธเจ้าเห็นศรัทธาในข้าพเจ้าจงมาอนุเคราะห์ข้าพเจ้าก่อนตั้งไว้ตั้งไว้ช่็น้หลเรานี่เชลอยเราไม่ได้ตั้งตรงนี้ไว้เราเลยไม่ได้ถูกอนุเคราะห์ ย่อมได้รับการเข้าไปหาก่อนผู้ที่ไม่มีศรนะัทธาและก็ย่อมได้รับการต้อนรับก่อนผู้ที่ไม่มีศรัทธาด้วยและถ้าจะเป็นผู้ได้ฟังธรรมมาก่อนคนอื่น <c oughs> โหนี่จะไม่เล่าเราจะลอยเ ร, เราไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนใครเลยเนี่ย แล้วข้อสุดท้ายนะคนที่มีศรัทธานี่นะตายก็ไม่ตกนรกตายแล้วต้องได้สุคตินี่เป็นอย่างนี้อาเจะต่อเรื่องฉันทากตัญหาพิงิจะพูดเรื่องฉันทากัตัญหาก็เลยพูดว่าเมื่อช้าพูดถึงศรัทธาเป็นเพื่อนใช่ไหม เอาต่อไปพูดเรื่องเมื่อเช้าพูดเรื่องตัณหาได้ถึงไหนมอาอาจารย์ตัณหาก็คือตัณหาเนี่ยมีอะไรเป็นจุดหมายมีเวทนาเป็นจุดหมายตัณหามีอะไรเป็นมูลรากมีหเริ่มชัดึ้นแล้วนะมีโมหะนะ นีความทยานอยากได้อารมณ์ที่น่าชอบใจมาเสพมาเสวยมาเปรย์ปนตนเองหรือความทยานอยากในกามทั้งหลายเรียกว่ากามาตัิหาเรามีไหมตัณหาประเภทเนี้ยต้องการสีที่สวยๆเสียงที่เ พ, พราะๆกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆ ม, มาบำรุงบำเรอมาตอบสนองบนเปลือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีความทยานอยากอ ย, ากอย่างไม่รู้จบรู้สิ้นอย่างเงี้ยนะ อยากได้บ้านได้รถได้ทรัพย์ได้ที่ดินได้นาได้ไรโอ้โหเยอะหมดเลยประการมาตัญหาเนี่ยมีกำลังมากนะอย่างเงี้ยอันนี้เรการมาตัญหาถ้าความกระหายความทยานอยากในถาวรมั่นคงคือต้องการให้คงทนถาวรอยู่ตลอดไปรวมถึงใหญ่โตโดดเด่นของตนเองหรือทยานอยากในพบด้วยก็เป็นเพราะว่าตัญหาไป ส่วนความกระหายความอยากในความดับสิ้นขาดศูนย์ต้องการพลากต้องการพ้นแห่งตัวตนหรือความทะเยอทะยานอยากในวิภพก็เป็นวิภาวะตัณหาทีนี้ตัณหาเนี่ยนำไปสู่อะไรตัณหานำไปสู่ปริยสนานปริยสนาก็คือการแสวงหาเวลาตัณหาเกิดขึ้นมาปุ๊บตัณหาก็ นำไปสู่ปริเยสนาเอสนาก็ได้ก็คือไปหาไปเอาหรือไปรับเอาหรือหาทางอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการนั้นมามาเสพมาเสวยผลสนองของการแสวงหาก็คือต้องการที่จะได้เมื่อได้สิ่งที่ต้องการนั้นแล้วให้ตนมาเสพเสวยแล้วก็เป็นอันตัดตอนก็แปลว่าไปช่วงหนึ่งแล้วแต่นี้ได้เสพได้เสวยไปลักษณะตัณหาจะเป็นอย่างนี้เมื่อต้องการสิ่งใดมาแล้วก็ สแสวงหาไขว่คว้าข ว, าขวานหาในการต้องการเอามาเสพเอามาสื่อเอามาบรรบุมำเลยอยากเข็นอะไรก็ขวนขวายที่จะไปดูอยากฟังอยากดมอยากกินอยากริมอยากทั้งหลายเหล่าเนี้ยแล้วก็สแสวงหาเต็มที่เลยเนี่ยปริเยสนาตันหามันนําไปสู่การสแสวงหาเป็นไปแบบนี้จุดหมายของตันหาคือต้องการเวทนานนัต้องการสุขเวทนาต้องการให้มันได้สิ่งเหล่านั้นถา้าวและมั่นคงบางทีก็นะ เมื่อได้ได้สิ่งนั้นมาแล้วต้องการจะรักษาไว้ไม่ให้สิ่งนั้นสูญสิ้นสล า, ายไปหรือถ้ามันเกิดขัดอกขัดใจขึ้นมาก็อยากจะภาคอยากจะพ้นอยากจะให้วิบัติอยากจะให้สูญสิ้นไปก็เป็นวิภวะมองเห็นหรือยังนี่พอจะเข้าใจในเรื่องของตัณหาคร่าวๆทีนี้เดี๋ยวดูฉันทะบ้าง ให้ตัวฉันทาหรือกุศลธรรมฉันท่าเนี่ยหรือกุศลฉันท่าเนี่ยฉันท่าในกุศลรมความพอใจความชอบความอยากได้ในสิ่งที่ดีงามกุศลและฉันทาก็ว่าฉันท่าในกุศลฉันท่าในกุศลก็คือแปลว่าดีงามก็ได้ฉลาดก็ได้เกื้อกูลคล่องสบายไร้โรคเอื้อต่อสุขภาพสุขภาวะทางด้านใ จ, ใจิตใจ สิ่งที่เกื้ อ, อกูลต่อชีวิตจิตใจสิ่งที่พ้นพ้นดีเกื้ อ, อกูลต่อความเจริญก็ออกงามในทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและผู้บุคคลอื่นเนี่ยฉะนั้นธรรมะชันทะหรือฉันทะเนี่ยหรือกุศลธรรมในอันเดียวกันก็คือสภาวะธรรมหรือคุณธรรมทั้งหลายความความฉลาดก็ได้ความรักความใฝ่ดีเนี่ยความใฝ่ในธรรมนี่เปจัดว่าเป็น อุสนหรือเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมชัตท่าหมดเลยเนี่ยถ้าสรุปง่ายๆตัวนี้คืออย่างนี้ถ้าตัณหาเนี่ยเขามุ่งประสงค์เวทนาหรือและจึงต้องการสิ่งสำหรับเอามาเสพเอามาสวยเวทนานั้นที่จะมาปนเปื้อนตนเองใช่ไหมตัณหาอาศัยอะไรอาศัยอาวิชาคือความไม่รู้หล่อเลี้ยงและให้โอกาสแล้วก็พอพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในเรื่องตัวตน เอาอัตราเป็นศูนย์กลางและนําไปสู่ปริเยสนาคือการแสวงหาเพื่อจะให้ได้มาเสพมาเวยฉะนั้นถ้าหากพูดถึงตั้หาเนี่ยก็จะเป็นไปในลักษณะว่ามีจุดหมายเพื่ออะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรบอกเพื่อเวทนาเพื่อสุขเวทนาดังกล่าวก็เลยต้องการจะตอบสนองเอามาให้ให้ใครเสพเสไยมาให้เวทนานี่แหละให้ให้สุขเวทนาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมาเสพเสไย และไอเวทนามีจุดหมายก็คือต้องการที่จะปนเปลือยตัวตนเป้าตั้นหาก็เลยอาศัยอะไรอาศัยอวิชาคือความมืดบอดเนี่ยหล่อเลี้ยงและให้โอกาสแล้วก็พัวพันเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนมีอะไรเป็นศูนย์กลางมีอัตตามีตัวตนเป็นศูนย์กลางพอมีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางมีตนเองเป็นหลักเป็นศูนย์กลางเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เลยนำไปสู่ปริเยศนาคือการแสวงหา สแสวงหาสีมาบมลูตนสสแสวงหาเสียงมาบมเลอบมเลอตนสแสวงหากลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายมาบมเลอตนเพราะมีตนเองเป็นศูนย์กลางนี่ใช่ไหมมีเยอะไหมความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเขาเรียกตั้นหาเอาตนเองเป็นตัวตั้งเอาตนเองเป็นศูนย์กลางเลยแต่เนี้ยที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ไหมแสดงว่าเราเนี่ย มีตันหาเป็นเพื่อนจริงๆไม่ใช่ศรัทธาแน่นอนใช่ไหมมีตันหาเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เป็นมิตรเป็นมิตรคู่ใจด้วยแล้วเราปรึกษาเขาทุกเรื่องไหมปรึกษาเขาทุกเรื่องเลยจะทำอะไรก็เอาตนเองเป็นเป็นศูนย์กลางเลยไหมเนี่ย พัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนเอาอัตราเป็นศูนย์กลางเป็นนรเปลเอาตัวตนเป็นศูนย์กลางไหมหนะเขาก็นำไปสู่การนำไปสู่การแสวงหาเราต้องการแสวงหาอะไรดิเราไปอยู่ที่ไหนเราอยากให้คนเขาชมเราไหมอยากให้คนพูดดีกับเราไหมอยากให้คนมาปฏิบัติดีกับเรายกย่องเราให้เกียรติเรา <c oughs> ใช่มมาที่นี่อยากให้เขาต้อนรับเราดีๆใช่ไหม ถ้าตอนรับไม่ดีจะมาอีกไหมมาไม่มาไม่มาแล้วแล้วเราก็จะมาคิดอยู่ตลอดเวลาถ้ามีอะไรขัดอกขัดใจทำให้อัตตาตัวตนเรามันบกพร่องหรือมันพ้อยมันพร่องหรือมันด้อยไปขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกจำแม่นเลยตรงนี้นแล้วยิงไ่จยิง <c oughs> ถ้ามาตรงนี้ถ้าอัตตาตัวตนมันร้อนพอใจไหม มันหนาวเกินไปมันร้อนเกินไปมันหิวเกินไปมันกระหายเกินไปโอ้โ oh, ห oh. เพราะเอ า, เ อ, าอัตาเป็นศูนย์กลางนี่แล้วจะวัดว่าดีหรือไม่ดีต้องเอาอัตราเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นตัววัดถ้าอัตราชอบอัตราได้รับการปลนเปลอยที่ดีที่สุดแล้วก็ให้คะแนนหนึ่งสองสามก็ว่าไปใช่ไหมคะแนนแบบดีดีปานกลางดีมากแอาอราวอาตายเป็นตัวตั้งเวลาเขาวัดคะแนนเขาวัด น, นี่วเวลาเขาจะดูว่า คุณให้ดูที่ว่ามาอยู่ในที่นี้ได้รับการต้อนรับดีหรือไม่ดีขนาดไหนไม่ดีเป็นกลางหรือดีมาก <c oughs> <c oughs> นี่เราเอาเอาอัตราเป็นศูนย์กลางจริงนะ <c oughs> นี่ตัณหาเป็นอย่างนี้เราตอนนี้มาดูฉันทะบ้างถ้าฉันท้ามุ่งประสงค์อัตถะอัถะคือตัวประโยชน์หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงแก่ชีวิต ค้ายกับสิ่งที่ปัจจุบันก็เรียกคุณภาพชีวิตและต้องการความจริงสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามาฉันทะเป็นอย่างไงฉันทะก่อตัวขึ้นจากอะไรอะไรเป็นมูลรากของฉันทะโยนิโสมนสิการความเป็นผู้ฉลาดคิดความเป็นผู้ฉลาดคิดคิดถูกทางถูกวิธีเนี่ยเป็นเป็นมูลรากความไปรู้จักคิดคิดให้ถูกวิธี คิดตามสภาวะคิดตามเหตุผลนั้นเป็นภาวะกลางๆของธรรมะไม่ผูกพันกับอัตตาด้วยนะฉันทาเนี่ยแล้วเมื่อฉันทาเกิดขึ้นแล้วเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเวลาฉันทาเกิดขึ้นแล้วนําไปสู่อุสาหะจากอุตสาหะก็นําไปสู่ความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วก็นําไปสู่การเห็นแจ้งด้วยใจเมื่อเห็นแจ้งด้วยใจแล้วก็พัฒนาไปถึงปัญญาที่เขาไปแทงตลอดชํำระกิเลสได้อย่างนี้เป็นต้น โอ้ฉันทาจึงมุ่งมุ่งประสงค์อัตถะคือมุ่งประสงค์ประโยชน์คำว่าประโยชน์ก็หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตด้วยใช่ไหมมุ่งไปถึงคุณภาพชีวิตที่ดีงามจริงๆด้วยนั้นฉันทาจึงต้องการความจริ ง, ร ง, ร ง, รงต้องการสิ่งที่ดีงามต้องการภาวะที่ดีงามฉันทาจริงเป็นความอยากความต้องการเลยนะเพาเกิดจากตัวโยนิโสมนสิกานะี่แหละเป็นมูลรากเป็นตัวใกล้ชิด ความเป็นผู้รู้จักคิดแล้วก็คิดถูกวิธีนี่แหละคิดตามสภาวะคิดตามเหตุผลโยนิสมนัสการจะมีหนึ่งก็คือว่าตัวมนัิการที่เขาเรียกว่าการคิดให้สอดคล้องตามแนวของสัจจะ อะไรนะยากเลยการคิดให้สอดคล้องตามแนวของสัจจะก็คือคิดให้สอดคล้องตามแนวของทุกสมุทัยนิโรธมากก็ <c oughs> คิดสอดคล้องตามแนวของเหตุผลอันนี้ก็เป็นโยนิสโสมนสษยการอย่างหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็การคิดที่จะสามารถเจาะเข้าถึงสภาวะลักษณะความกระบวนการความคิดเนี่ยเช่นคิดในเราว่า ตัวตันหามีลักษณะอย่างนี้นความโลภเนี่ยตันหามีลักษณะความทยานอยากตัหามีลักษณะ ม, มีจุดประสงค์มุ่งประสงค์คือตัวเวทนานะและตันหานี่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องการสิ่งต่างๆสําหรับมาเอามาเสพมาเสวยเวทนาต้องการตอบสนองเวทนา เมื่อตันหาเกิดขึ้นก็ต้องการปนเปื้ออัตตาตัวตนอย่างเงี้ยเรารู้ลักษณะรู้หน้าตารู้กิจของรู้การทํางานก็ไอตัวตันหาของเขาไอตัวความคิดกระบวนการที่ไปคิดไปเจาะทะลุทะลวงเห็นความจริงของตัวสมุทัยอย่างนี้เป็นต้นได้เนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยเขาเรียกโยนิโสความเป็นผู้ฉลาดคิดสามารถคิดเจาะตรงสภาวะสิ่งต่างๆได้คิดให้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดให้สอดคล้องตามแนวของสัจจะได้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถคิดไปเป็นแถวเป็นแนวก็ได้คิดเป็นตามทางเป็นแถวเป็นแนวว่ายกตัวอย่างเช่นสามารถที่จะคิดไปว่าเนี่ยพอกระบวนการสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเป็นปัจจัยเกิดสัมมาสังกปะายัางไงสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวิมภาษัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยคิดได้เป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้ได้เลยหรือเห็นกระบวนการธรรมะที่พูดมาสักครู่ว่าเวลาเกิดศรัทธาแล้วไหม เวลาเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วเนี่ยศรัทธานำไปสู่อะไรเนี่ยศรัทธานำเข้าไปหาสัตบุรุษใช่ไหมเข้าไปเมื่อศรัทธาแล้วเข้าไปหาสัตบุรุษใช่ไหมเห็นตามเห็นหินเป็นทางเห็นซ่องทางแล้วก็เข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็เงี่ยโสดลงฟังเงี่ยโสดลงฟังก็สดับเมื่อสดับก็ทรงจําเมื่อทรงจําแล้วก็ไตร่าา ต, รตรองเนื้อหาธรรมะพอไตร่ตรองเนื้อหาธรรมะก็ธรรมะก็ ท, กทนต่อการตรวจสอบพอทนต่อการตรวจสอบก็เกิดฉันทะ จากฉันท้าก็เป็นปัจจัยแก่อุตสาหะจากอุตสาหะมาไตร่สวนธรรมะต่อแล้วก็ทําให้ตั้งความเพียรได้จากการที่ตั้งความเพียร น, นี่แหละก็นําไปสู่การเห็นแจ้งโดยใจจากเห็นแจ้งโดยใจก็แทงตลอดสู่ปัญญาอะไรอย่างนี้เป็นต้นมองเห็นยังนี่เป็นอย่างนี้การเห็นเป็นแถวเป็นแนวนอะไรอย่างนี้เขาเรียกสามารถเจาะหรือคิดไปตามแนวทางนั้นได้ไปตามทางนั้นได้บางทีคิดสาวอย่างนี้ได้เลย ถามวาเหตุปัจจัยก็ได้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นว่าเ อ, อเนี่ยไอตัวสมาธิเนี่ยสมาธิเนะี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุใกล้ออสุกสมนัตนี่เป็นเหตุใกล้ของสมาธิทีนี้สุกสมนัตเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีตัวปัสจุบัน เออขาอันนี้มีปัจสถานีคือความสงบในปัจสถานีความสงบมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีตัวปีติปีติมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีปลาโมดปลาโมดมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีตัวความไม่เดือดร้อนใจแล้วความไม่เดือดร้อนใจมีอะไรเป็นเหตุใกล้คือตัวศีลศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ก็มีหิริโอตปะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นอย่างเงี้ยอ๋อมันสาวคิดจากข้างบนลงมาข้างล่างเหตุปัจฉยสมาธิมาจากสุขสมานัสสุขสมานัสเนี่ย ต้องอาศัยตัวปัจสธิความสงบความผ่อนคลายปัจสธิความสงบความผ่อนคลายมาจากปิติปิติก็มาจากปลาโมดปลาโมดก็มาจากตัวตัวความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนใจก็มาจากศีลกุศลศีลก็มาจากความละอายไม่ละอายความละอายตบบาปความเกรงกลัวตบบาปนี้เป็นตน้นหรือมาจากศรัทธาก็ได้เงี้ยเราก็จะเห็นตัวที่สามารถ สาวหาเหตุปัจจัยของการที่เราได้สมาธินี้มาจากอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าตัวโยนิโสและโยนิโสอย่างหนึ่งโยนิโสพระราชการอย่างหนึ่งคือ ก, การคิดปลุกเร้าคุณธรรมเช่นพอคิดให้เกิดศรัทธาก็ได้ปลุกเร้าให้เกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยก็ได้ปลุกเร้าให้เกิดความเพียรความอาถานความแกล้งกล้าก็ได้ ปุกเร้าให้เกิดสติก็ได้ปุกเร้าให้เกิดสมาธิปุกเร้าให้เกิดปัญญาก็ได้เนี่ยการคิดแล้วจะให้คุณธรรมข้อไหนเกิดก็ได้หรือคิดให้หายโกรธก็เร็วพอโกรธปุ๊บคิดให้หายโกรธได้เลยคิดก็หาข้อที่สี่มักได้เลยเนี่ยเป็นต้นคิดพอเกิดความไม่มีศรัทธาคิดให้มีศรัทธาได้เกียดติค้านคิดให้มีความเพียรได้ออกจากความออกจากความเกียดติค้านได้ทันที เลือเล่อฟนฟั่นเฟือนเลือนหลงคิดให้มีสติได้ฟุ้งซ่านคิดให้มีสมาธิได้เ <c oughs> นี่ยมืดบอดไม่รู้ไม่เข้าใจลังเลสงสัยคิดให้เกิดปัญญาได้เจากการคิดลักสนะนี้คือปลุกแล้วคุณธรรมได้ <c oughs> คือคิดดําเนินชีวิตกระโดดออกมาจากข้อสองก็สู่ข้อสี่ขององค์มรรคได้กํ <c oughs> าลังจอมอยู่กับโลภะโทสะโมหะดีๆคิดกระโดดมาข้อสี่ได้เลยคิดมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้เลยอย่างเงี้เขาเรียกเป็นอะไร ยยนิสโสนี่ยนิโสมันนักสิการฉลาดคิดแบบนี้แหละเรามีไหมฮะเออเยตรงเนี้ยสำคัญไหมนี่เาเรียกว่าคิดเป็นสมมุติว่าคนที่คนที่กล่าวพระธรรมเนี่ย คนที่กล่าวพระธรรมเนี่ยต้องต้องมีโยนิโสค่อนข้างดีนะถ้าไม่ดีในี่ยุ่งเลยสมมติฉันมองไปที่พวกเราเนี่ยเราก็เห็นบางคนก็ตั้งใจฟังบางคนก็ไม่ตั้งใจฟังบางคนก็หลับอยเลงนะโอ้โถ้าฉันไม่มีโยนิโสฉันจะเครียดกินเลยนะเนี่ยใช่ไหมพอมองไปที่คนที่หลับจับประงกอยู่ปุ๊บุ๊บบ๊ฉันจะทุกมาก เ, เครียดกินใช่ไหม แต่ถ้ามีโยนิโสมรสิการปุ๊บท่านจะคิดว่าไม่ได้แล้วเรามาเจริญกุศลใช่ไหมเออเราต้องทํากุศลให้เกิดขึ้นให้ติดต่อเพราะว่าการบรรยายธรรมนี่เป็นภาวนากุศลและการฟังธรรมก็เป็นภาวนากุศลาการเคารพธรรมการไม่เคารพธรรมเนี่ยถ้าเคารพธรรมก็เป็นภาวนากุศลใช่ไหมล่ะเออไอคนสับประงกนั่งหลับนี่เขาก็เคารพธรรมไหมว่าเคารพหรือเปล่า แล้วก็มีเขาใช้หน้าสับ ป, ประกนี่ถือว่าเคารพไหมเขาไม่เคารพทำเขาไม่เคารพทำเดี๋ยว่าจริงๆแล้วแล้วแต่ใครจะทํากรรมของใครจะไหมล่ะใครจะทํากรรมยังไงก็เรื่องเพราะทํำไมเคารพทำไม่เป็นเหตุในการบรรลุธรรมก็ลำบากเลยนี่เป็นต้นงั้นคนที่ฟังทำก็ดีคนที่แสดงทำก็ดีก็คนตั้งโยนิโศให้ชัด เข้าใจฉันท้ายอย่างแต่เนี้ยฉันท้ามีอะไรเป็นมันก่อตัวมาจากอะไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้ยโยนิโสมรสิการคือรู้จักคิดนี่เองเหตนั้นถ้าเราไม่รู้จักคิดตัณหาก็เกิดใช่ไหมเพราะตัณหาก็มีโอะโยนิโสนั่นแหละความไม่ฉลาดคิดแล้วก็มีโมหานั่นแหละเป็นมูลรากอยู่แล้วมาจากความไม่รู้ ทีนี้อระการต่อมาก็คือว่าถ้าแยกให้ชัดก็คือว่าเราจะได้เห็นความลึกลงไปของตัณหาเป็นต้นเหล่านี้ยตัณหานําไปสู่การแสวงหาใช่ไหมส่วนฉันทะทําให้เกิดการกระทํา น, นี่เป็นจุดสําคัญที่ทําให้เกิดความเข้าใจต่างกันระหว่างตัณหากับฉันทะเนียให้ชัดเจนขึ้นเป็นขั้นเข้าสู่ปฏิบัติการเนี่ยขั้นตอนสําคัญก็คือว่าในทางจริยธรรมอย่างมาก ก็ต้องหันมาพิจารณาก็คือตัณหาต้องการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวยเวทนาความประสงค์ของตัณหาอยู่ที่การได้สิ่งนั้นๆมาด้วยวิธีใดๆก็ตามที่ให้ได้มาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเฉพาะในสิ่งที่ต้องการแสวงหาก็คือว่าเขาเรียกปริเยสนาในการได้สิ่งเสพเสวยมาวิธีการจะได้มาอาจจะมีหลายวิธีนะบางทีก็ได้มาด้วยการกระทํามีผู้ให้บางทีก็อาจจะมี ไม่กระทำอะไรก็แล้วแต่แต่แต่ตัณหาต้องการเนี่ยตัณหานั้นต้องการจะไม่ถ้าเรามองถึงว่าเหตุกับผลเนี่ยมันจะต่างกันอย่างนี้ยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างนะว่าเอา เ, อเอาเป็นหมอเขาเป็นหมอ่ใช่ไหมเออที่เราไปทำงานเนี่ย ไปทำงานเป็นหมอการที่ไปรักษาคน เ, นเป็นเหตุใช่ไผลของการรักษาก็คือคุณภาพชีวิตของคนไข้ดีขึ้นหรือหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บในเหตุกับผลเป็นอย่างนี้ใช่ไถ้าชันทะเนี่ยเหตุกับผลมันจะตรงกันคือการรักษาเป็นเหตุ ผลของการรักษาก็คือคุณภาพชีวิตคนไข้โรคภัยแค่เจ็บของคนไข้หายมันมัน ม, มันจะฉลาดในเหตุในผลเพราะชันท่าเนี่ยมุ่งถึงประโยชน์มุ่งถึงอัตถะมุ่งถึงคุณภาพชีวิตอย่างนี้แต่ถ้าตั้นหาเนี่ยการไปรักษาเป็นเหตุการได้ค่าตอบแทนเป็นผลเห็นความต่างไหมเออมันมันมันผลของเขาเนี่ยต้องการจะไปเอาเงินมา ตอบสนองไอตัวเวทนาของเขาเพราะได้เงินแล้วตนเองมีความสุขนี่แต่ฉันทาเนี่ยเห็นคุณภาพชีวิตของคนไข้เขาดีขึ้นมันมีความสุขตรงนั้นมันเป็นความมันมีความสุขจากการได้กระทํามันไม่ได้เอาอัตราตัวตนเป็นศูนย์กลางนะแต่เอาอัฐะเอาประโยชน์เอาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นจุดหมายเอาเป็นจุดประสงค์เอาเป้าหมายเป็นเป้าประสงค์แต่ถ้าตันหาเนี่ยเอาเวทนาชัดเลย ถ้าตอบสนองทําให้ตัวเองเนี่ยได้เสวยเวทนาชัดนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้เหมือนตอนสมัยเด็ ก, ดกๆวกลูกขยันดูหนังสือนะถ้าอ่านหนังสือเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูหนังอ่านหนังสือเป็นเหตุการไปดูหนังเป็นผลอันนี้เป็นอะไรเป็นตัณหาอ่าลูกขยันอ่านหนังสือนะเมื่ออ่านหนังสือแล้วลูกจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจ การอ่านหนังส well ือเป็นเหตุความรู้ความเข้าใจเป็นผลเฮ้ฉันท่ากับตั้นหาไม่ต่างกันไหมโดยมากชีวิตเราเนี่ยอยู่กับฉันท่าหรืออยู่กับตั้หาหรือมันสลับสลับกันอะไรมากกว่ากันเราเห็นคนกวาดถนนเนยการกวาดถนนเป็นเหตุอะไรเป็นผล ที่เขาได้เงินเดือนเขาไปคิดเงนินแล้ก็กวาดหน้าดําข้ามเครียดมันสังเกตมังกวนกวาดหน้าก็ดําเครียดปึ๊ดปื๊ดปการเป็นจราจรก็ไปบอกรถอยู่นั่นแหละการบอกรถมันเป็นเหตุการได้เงินเดือนเป็นผลต้นหาดิฉันท่าหายางจริงนะล้วช่วยไปขยายหน่อยได้ไหมช่วยอธิบายหน่อยระหว่างตันหากับฉันท่าเนี่ยต่างกันหรือไม่ต่าง แล้วเห็นจุดต่างแล้วเนี่ยนี่ไปไปมามาก็คือสภาพสังคมมันก็วุ่นวายเยอะขึ้นจากการที่แยกกันไม่ออกว่าตัณหากระชันทะนี่มันต่างกันยังไงเนี่ยไปไปมามาก็เลยเกิดความสับสนวุ่นวายกันหมดเลยตรงนี่ยนะมันก็เลยเป็นสภาวะที่ซับซ้อนมากโดยเฉพาะตัณหากชันทะมาเกลือกลัวมั่วกันไปมั่วกันมาไปไมามนุษย์ก็แยกกันไม่ออกไปไปมาก็ตกเป็นทาตของตัณหาต่อไปนี่เป็นไปในลักษณะอย่าง นั้นถ้าหากชั้นท่าเนี่ยมันเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่ดีงามแต่ถ้าตัณหามันจะไปคนละเรื่องเลยตอนนี้มีอะไรจะถามไหมเกือบจะสี่โมงแล้วมีไหมเอาให้ถามปัญหาอ้าวดูตรงนี้นิดหนึ่งตัณหา โดยความหมายเบื้องต้นก็แปลวความอยากความร่านลนความทยานอยากอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากไม่เป็นต้องการที่จะเสพเนี่ยตัณหาจะเป็นลักษณะยี้ถ้าฉันท้าก็เป็นความยินดีความพอใจความใฝ่ความรักก็คือใฝ่ในธรรมะใฝ่ดีใฝ่สัจจะใฝ่รู้อยากทำต้องการทํามะมันจะมันจะต่างกันอย่างนี้นะ ถ้าตามหลักเลยเนี่ยความหมายตามหลักตัวตัณหาก็คือความอยากได้สิ่งเเสรเสวยที่อํานวยความสุดเ ข, ขเวทนาเนี่ยอยากในให้ภาวะที่มั่นคงถาวรที่มันก็คืออยากให้อัตราตัวตนเนี่ยไม่อยากให้อัตตนั้นพลัดพาคแต่บางครั้งก็อยากให้ให้สูญสิ้นให้สลายไปด้วยนะเช่นวิภาวาตันหาไม่อยากเจอไม่อยากพบเนี่ยแต่ถ้าเป็นชันท่านี่จะเป็นภาวะก็คือ ความยินดีในภาวะในสิ่งนั้นๆต้องการภาวะที่ดีงานความดำรงอยู่ในอุดมปฐพวะของสิ่งที่ดีงานเป็นต้นเหล่านี้ต้องการสิ่งที่ดีทั้งหลายเหล่านี้ให้ดำเนินไปตามสภาวะตามกระบวนการที่มันควรจะเป็นตัณหามันมีอวิชชาใช่ไหมเป็นมูลรากมันก็ให้สังเกตด้วนะอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปสรายาตนาผัสสะเวทนาแล้วก็มาตัณหา ตัณหาก็นำไปสู่การแสวงหาสิ่งที่ตัณหาประสงค์ก็คืออารมณ์หกต้องการสีเสียงกลิ่นรสผลพระและธทำอารมณ์เนี่ยสิ่งเสพส่วยที่อํานวยสุขมาต้องการสนองอัตราตัวตนมีอัตราเป็นศูนย์กลางจะเอาขึ้นมามุ่งหาสุขเวทนาหรือสิ่งที่พะนาพนนตรงตนเท่านั้นเองตัณหาจะเป็นไปลักษณะอย่างนี้ส่วนฉันทาก็มีตัวโยนิโสมและสิกานี่แหละเป็นเหตุใกล้เพราะฉันท่าเกิดก็เป็นปัจจัยเกิดอุตสาหะ ไม่พัวพันกับตาตัวตนนี่จะเป็นไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็ส่งผลดีงามอีกเยอะมากเลยถ้ า, าฉันั่าเกิดขึ้นเพราะฉันท่าเนี่ยมุ่งอาาัตถะคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่แท้จริงแก่ชีวิตฉันท่าก็เกิดจากความรู้ความเข้าใจด้วยจะไปสัมพันธ์กับตัวปัญญาคือความรู้ความเข้าใจและเป็นเหตุแห่งการกระทำเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของการกระทํากระตุ้นการกระทํา แล้วว่าพอฉันท้าเกิดขึ้นเนยมันเป็นตัวสภาพของกุศลเกิดอยนะู่แล้วสภาพจิตตอนนั้นก็สบายด้วยสงบด้วยเป็นไปเพื่อสุขสมมนาสเป็นไปให้เกิดสมาธิเนี่ยสิ่งที่ดีงามมันจะเกิดขึ้นมันเอื้อต่อสุขภ า, ภาวะของจิตใจได้ดีงามด้วยฉันท้าจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากตัณหามันจะเป็นในยัยะตรงกันข้ามเลยมันจะนําไปสู่ทุจริตทั้งหลายอีกเยอะมากกวนกวายเร่าร้อนไม่ส่งเสริมสมาธิเลย ชอบใจอยากได้อยา ก, อยากเอาอะไรต่างๆแล้วจิตก็พกพานปั่นป่วนถ้าตัณหามันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นไปจะนําไปสู่ทุจริตไม่นําไปสู่ความพ้นทุกข์นะนี่เป็นไปลักษณะ น, นี้เพราะจะเห็นความต่างกันแล้วนะระหว่างฉนันทากับตัณหาเพราะพอพอเห็นความต่างไหมยากไม่ยากเอาใครจะถามอะไรตอนนี้ยเหลือสามสิบนาทีมีไหม อ๋อ อ๋อในวงจรเขาปฏิจจ ա สมุาบาทหรือเปล่าวงจรเขาปฏิจจ ա ใช่ไหมในวงจรเขาปฏิจจนจะเป็นอย่างนี้เช่นทางทวารตาเนี่ยอาศัยตารูปเกิดจากคูญยานทำสามประการนี่ประชุมกันก็เป็นผัสสะผัสสะก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาไอเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัณหาโดยวงจรจะเป็นอย่างนี้ ตัณหาก็เป็นปัจจัยเกี่อุปาทานอุปาทานก็เป็นปัจจัยเกี่ยพบชาติชาลามรณาเป็นต้นเหล่านี้มีวงจรมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัณหาก็นําไปสู่อุปาทานอุปาทานก็นําไปสู่การทํากรรมพอทํากรรมใหม่ก็นําไปสู่นนะชาติชาลามรณาโสกกาพิทเทวทุกขโทมและเศร้าปลายาตในขณะที่เราเห็นได้ยินทั้งหลายเหล่าเนี้โดยมากก็จะพอถึงเวทนาปุ๊บตัณหาก็เกิดพอถึงเวทนาปุ๊บตัณหาก็เกิดชอบใจก็เป็นกรรมมาตัณหาใช่ไหม แล้วถ้าหากว่าอยากให้สภาพของสิ่งที่ตัวเองชอบใจพอใจมันมันม่นคงถาวรก็เป็นภาวะตันหาอยากจะพ้นอยากให้มันหมดอยากให้มันสลายไปของอัตราตัวตนทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นวิภาวะแล้วก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ไปทำกรรมทางกายทางวาจาทางใจก็เป็นกรรมมโหฬารต่อไป วงจรของการเกิดขึ้นของกิเลสตัณหามันก็จะหมุนวนวนอยู่ใ น, น, น, น, นชีวิตจริงของมนุษย์เกิดเป็นแบบนี้เออแต่เราจะเบนให้เกิดความรู้ความเข้าใจยังไงเป็นยังไเออประเด็นอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจไอ้วงจรกระแสชีวิตที่มันดําเนินไปอย่างนี้ก่อนแต่จริงๆก็คือว่าไอ้ตัวปัญญาท่านบอกว่า อาศัยตาและรูปเกิดจากคูญยาณการประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปัจัยเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจัยเกิดตนาเพราะตัณหานั่นแหละดับด้วยการละคายด้วยปัญญาในอริยมรรคโดยไม่มีส่วนเหลือใช่ไหมตัณหาดับด้วยกาด้วยปัญญาในอริยมรรคมาสามารถดับเด่นเด็ดขาดนี่พูดถึงวงจรแบบอุกฤษกันนะเพราะตัณหาดับอุปาทานก็ดับพออุปาทานดับภพก็ดับพอภพดับชาติก็ดับ เพราะชาติดับชรามรณาโศกกาบพิเทวทุกขโทมลักอุปายาตกับความดับแห่งวัาทุกข์มีได้ด้วยการอย่างนี้นะมันดวงจรดับสายดับมันเป็นแบบนี้อันในชีวิตจริงเราเราไม่สามารถทําปัญญาในอริยามรรคให้เกิดขึ้นได้แต่เราสามารถทําปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาตัดตอนได้ไหมได้นีมันได้มันได้ก็ตรงที่ว่ามันมาจากการมาจากเกียรติจมดงมาจากความจงใจตั้งใจใช่ไหมมาจากเกียรติจมดงความจงใจและตั้งใจที่ว่า เราจะมองสิ่งทั้งหลายฟังสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาจะ ก, กลุ่มตัวโยนิสโสมนัสิการนี่แหละหนึ่งดูได้ก็ดูเป็นฟังได้ก็ฟังเป็นดมได้ก็ดมเป็นชิมได้นะริมได้ก็ริ้มเป็นเนะี่ยแล้วก็สัมผัสได้สัมผัสเป็นคิดได้ก็คิดเป็นพูดได้ก็พูดเป็นทำได้ก็ทำเป็นสื่อสารได้ก็สื่อสารเป็นต่างกันไหม เออเราดูได้ดูได้ก็คือเห็นปุ๊บก็ชอบใจแล้วไม่ชอบใจตัณหาก็มาแล้วพอชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมมันก็นำมาซึ่งตัวตัณหาเกิดชอบก็ต้องการเอามาตอบสนองบวมรุมบําเลิศตนเอาตอนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้วถ้าไม่ชอบใจก็ผลักออกจากตัวเดงกออกไปเห็นไมมาแล้ว น, นี่ดูดูดูได้ นั้นการดูได้การการดูได้มันก็จะดอกเข้าก็อุปาทานก็เกิดกรรมก็เกิดก็ทากรรมทําบาปกันไปจากการดูแต่ถ้าดูเป็นล่ะกระบวนการดูเป็นเนี่ยมันจะดูเพื่อศึกษาวิจัยแยกแยะมันใช้ตัวกำลังของโยนิโสนี่แหละตัวความเป็นผู้ฉลาดคิดพอดูเป็นขึ้นมาเนี่ยเอายกตัวอย่างเช่นว่าพอเราดูที่สลาดูมาที่ดอกไม้ พอดูได้ก็โอ้สวยชอบใจไม่สวยก็ไม่ชอบใจแต่พอดูเป็นขึ้นมาปุ๊บโอ้โหดอกไม้นี้เราจะน้อมเอาดอกไม้นี้บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงค์ไม่ใช่แค่ดอกไม้เท่านั้นแม้ศาลาหลังนี้ทั้งหมดหรือความสวยสดงดงามทั้งหลายที่มีอยู่ในบริเวณนี้ทั้งหลายเราจะใช้มโนคือจิตใจของเราเนี่ยน้อมยกสิ่งของเหล่านี้เหนือเสียน บูชาคุณของพระพุทธเจ้าว่าธรรมประสงค์ดูแต่ละชิ้นละชิ้นละชิ้นแล้วโอ้เราได้น้อมบูชาแล้วบูชาพระรัตนนาฏลายบูชาพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถือว่าดูเป็นไหมเนี่ยไม่ใช่ดูได้แล้วดูเป็นดูไม่ดูเปล่ายังน้อมบูชาด้วยเพื่ออะไรเมื่อเราได้น้อมสิ่งเหล่านี้บูชาปุ๊บกลับมาดูใหม่โอ้เราได้ยกถวายบูชาแล้วต่อไปเราจะยางความชอบใจไม่ชอบใจให้เกิดขึ้นไม่ควรแก่เราเลยนาะเนี่ย เออการดูเป็นนี่มันกลายเป็นได้กุศลเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัณหาดับไหมตัณหาไม่เกิดเลยแต่นี้เขาเรียกว่าวิธีตัดตอนปัญตัณหา <c oughs> ใช่ไหมเอออันนี้อันนี้มองแบบพื้นที่ที่เราเห็นกันเอออันนี้เขาเรียกว่าเป็นการขยายพื้นที่ของปัญญาขยายพื้นที่ของศรัทธาขยายพื้นที่ของกุศลนักเข้า เวลาเราย้อนมาดูที่ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะยังความเพิดเพลิน ย, ยินดีและชอบใจใเกิดขึ้นกล้าไหมเจ้าของเขาเอ้ยฉันไม่ได้ถวายนี่เลื้ยงคุณฉันไม่ได้รักของคุณนี่แต่ฉันยกสิ่งเหล่านี้บูชาพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วเป็นบาปไหมเป็นไม่เป็นแล้วน้อมสิ่งของเหล่านี้บูชาพพุทธเจ้าเป็นบาปหรือเปล่าเพราะอะไร เพราะว่ากมันเกิดจากบุญของเราที่เราได้เห็นเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ฉลาดกับมันตัณหาก็เกิดน่ะชอบใจไม่ชอบใจก็เกิดน่ะแต่ถ้าเราฉลาดขึ้นมาก็น้อ ม, มนี่เขาเรียกดูเป็นหรืออย่างนี้ก็ได้ดูอย่างเพื่อศึกษาก็ดูเป็นนะดูว่าเออเนี่ยเขาทาอย่างไรเขาทาอย่างไรนะเนี่ยทาเออเขามีความวิจิตบัญจงในการทำมากเออเนี่ยเห็นไหมความคิดกระบวนการความคิดของมนุษย์ มโนกรรมของมนุษย์เนี่ยคิดได้ประหลาดคิดได้เก่งมากคิดได้ชานฉลาดมากคิดได้วิจิตบรรจงมากสามารถคิดเนี่ยเอาได้เออเอาฟากมาเรียงเรียงเรียงเรียงเรีย ง, ยงกันแล้วก็เอาไม้มาต่อๆ่อต อ, ต, อต่อกันยังไงแล้วก็เอาเหล็กนะเอามาติดมาต่อกันไงทําเป็นศาลายัางไงเอาปูนมาเทแล้วทาเป็นที่อยู่อาศัยทําให้เราได้มาอาศัยร่มเงานี้ได้ความสะดวกสบายด้วยได้ความไม่ร้อนด้วย ได้อุตุที่ส ป, ปายะด้วยโอนี่เป็นกุศลนะเนี่ยพอพิจารณาไปอย่างนี้เป็นปัญญาไหมเป็นตัณหาไหมไม่เป็นเลยไม่เป็นกุศลเลยอย่างเี้เป็นตอนนี้ก็ตัดตอนแทนที่เราจะไปเดินสมุทรยะสัจจะแล้วก็มาเดินมรรคสัจที่เราคิดทั้งหมดเหล่านี้ยเรามีจุดหมายต้องการพัฒนาปัญญาเนีเพื่อไปสู่ความรู้ความจริงแล้วก็ดําเนินชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์นะที่เราวิจัยแยกแยะขนาดเนี้นี่เราก็เรียกเดินข้อที่สีได้ค่อนข้างชัดแล้ว เพราะคิดอย่างนี้แล้วจิตโปร่งไหมจิตก็โปร่งโล่งแล้วก็เบาด้วยใช่ไหมแต่คิดคิดให้ตีบตันก็ได้ลองคิดดูทีทํำยังไงเราจะไปสร้างตรงนี้สักหลังหนึ่งแล้วเราจะได้เอาทําเป็นที่เที่ยวจัดงานเลี้ยงสังสรรค์มีดนตรีนะ ม, มีใช่ไหมทาอาหารอร่อยดนตรีไพเราะ บรรยากาศให้ดีๆเราจะต้องไปทําอย่างนี้ขึ้นมาเอาเป็นตัณหาไหมปุงแต่งไหมโอ้โหชัดเลยเงี้ยนะแต่จะเป็นกุศลก็ได้นะเออเราอยากจะทําอย่างนี้สักหลังหนึ่งจะได้มีที่ให้คนมาปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาไกลถึงเคียงไลโอ้อยากจะมีที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ว่างๆจะได้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ เป็นลมนัมมณียสถานที่ท่านได้เดินศีลสมาธิปัญญาเราก็จะได้ดูแลอุปถากจะได้ฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็จะได้ฝึกตนเองในการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาไปสู่ความพ้นทุกข์เราอาจจะทําหลังย่อมๆตามกําลังของเราก็ได้อจะคิดงี้เป็นกุศลได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าดูเป็นแล้วคิดเป็นด้วยดูเป็นคิดเป็ น, น จากกระบวนการการดูก็ไปสู่กระบวนการความคิดที่เป็นแล้วก็วางเป้าหมายวางจุดหมายอยากอยากเจริญกุศลต่อไปโดยมากการคิดแบบสร้างสรรค์แบบนี้คิดคิดบ่อยไหมพวกเราโอ้ขนาดพายังเป็นเลยเนี่ยสบายเลยพวกเราเนี่ยเห็นไหมกระบวนการนี้เขาเรียกว่าใช้ความเราเป็นคนมีความสามารถในการคิดอยู่แล้ว ความสามารถเราได้มากเราปรุงแต่งบาปได้เก่งอยู่แล้วแล้วก็มาปรุงแต่งบุญสิใช่ไหมล่ะใช้ความสามารถที่มีอยู่เพียงพริกด้านมันแค่นั้นเองจากด้านปรุงแต่งบาปก็มาปรุงแต่งบุญจากการคิดบาปเก่งก็มาคิดบุญให้เก่งจากการใช้อกุศลวิตกก็มาใช้กุศลวิตกต่อยคิดทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีโทษคิดไปเถอะเนคขมาวิตกในะคิดไปอภิาบาตวิตกหรือเมตตาในะคิดไปเถอะ เอาวิหิงสาวิตรก็คิดกรุณานคิดได้ทั้งวีทั้งวันไม่เป็นโทษด้วย <c oughs> ใช่ไพัฒนาไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วยเป็นการพัฒนาปัญญาด้วยเป็นไปเพื่อสุขสมณัสด้วยเป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วยการคิดในลักษณะอย่างเนี้ยแต่ถ้ามันคิดมากไปมากไปเขามันล้าขึ้นมาแล้วก็สงบสิทําจิตให้สงบตั้งอยู่ในสมาธิเข้าสมาธิทรงเลิง พอเข้าสมาธิได้ระยะหนึ่งพอเกิดผ่อนคลายไปเสร็จก็ออกจากสมาธิก็มาใช้เนคขมะวิตกต่ออภยาบาตรวิตกอวิงสาวิตกต่อก็ไข่ควรวิจัยแยกแยะก็คิดอยู่ในนี่แหละสันเลกระทำสี่สิบสี่นี่แหละอันเดียวกันทเวทาวิตรสูตรที่เป็นกุศลวิตกก็คือเนคขมะก็คือสันเลกธระทำสี่สิบสี่อันเดียวกันนั่นแหละถ้ามิจฉา ทิฏฐิมิจฉาสังกปามิจฉาวาจามิจฉากรรมตาทั้งหลายนั้นก็เป็นอกุศลวิตกมองออกไหมอาจจะเชื่อมให้ดูสองสูตรนี่นะสันเลขสูตรสันเลขธรรมมี44ข้อทเวทาวิต ก, กสูตรแบ่งวิตกเป็นสองกลุ่มเป็นกุศลมิตก3กับอกุศลมิตกสอกุศลวิตกคือกลุ่มไหนชนเหล่าอื่นจะเป็นผู้ฆ่าสัตว์นี่คืออกุศลวิตก ในข้อนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์นี่เป็นกลุ่มกุศลวิตกชนเราอื่นเป็นผู้รักทรัพย์ในข้อนี้เราจะไม่รักทรัพย์เราตรึกเราคิดเราน้อมจะไม่รักทรัพย์นี่เป็นกุศลวิตกถ้ากลุ่มรักทรัพย์ทั้งหลายกลุ่มคิดรักทรัพย์ทั้งหลายนี่เป็นกุกศลวิตกแยกไปนั้นจะแยกเป็นสี่สิบสี่ก็ได้จะไปแยกเป็นสามก็ได้หลักการมีแค่นี้การจะเชื่อมประสูติให้เกิดความเข้าใจมีเวลาไม่พอ เราจะได้เชื่อมให้ได้ว่าจริงๆแล้วเรื่องเดียวกันแต่จะขยายไปยังไงแค่นั้นเองนั้นถ้าขยายแบบย่อก็คือสามอคติมิตรตกสามกับอคติมิตตกสามอย่างละสามแยกเป็นสองกลุ่มถ้าขยายแบบพิสดารก็นั่นแหละสันเลขาธรรมสี่สิบสี่อ่ะสันเลขาธรรมอีกสี่สิบสี่สิ่งที่ไม่ควรไม่ไม่ควรขัดเกลียวไม่ธรรมะที่ไม่ขัดเกลาก็เป็นสี่สิบสี่อย่างไปนั่นก็คือกลุ่มอุติมิตตกทั้งหมดหลักการมีแค่เนี้ย เริ่มมองเห็นนี่ยังเห็นไหมว่าแต่ว่าจะพึ่งกล่าวยังไงจะกล่าวว่าเป็นมร ก, ก็ได้แต่เห็นไหมในไอตัวสัเลฆธรรมสี่สบสี่เนี่ยนี่คือกลุ่มของวิปัสสนาญาณเนี่ยกลุ่มของวิปัสสนาญาณทั้งหมดเลยนะเนี่ยกลุ่มสัมมาทิฏฐิกลุ่มสมัมสมาสังกัปปะกลุ่มสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาชีวสัมมาวายามาสัมมาสติสมาสมาธิ ทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่นี้นี้หมดเลยอยู่ในเสนเลกธรรมหมดเลยใช่ไหมนี่ <Yeah. S 1> นั่นก็คือมรคนั่นเองก็คือวิธีการข้อปฏิบัติแต่ถ้าไปย่อมาก็เป็นเหลือกุศลสังกปะสามเนคขมา ส, สังกปะอภิญบาตสังกปะวิหิงสาสังกปะถ้าย่อมาก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าจะเชื่อมได้ไหมนั่นก็ว่ากันอีกทีใช่ไหม หลักการเวลาพุทธเจ้าจะแสดงแก่ใครที่ไหนอย่างไรถ้าแสดงแบบนี้บุคคลนี้เข้าใจพรุทธเจา้าแสดงย่อถ้าย่อไม่เข้าใจพระองค์ก็แสดงพิสดารวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สัตว์โลกเนี่ยดำเนินไปสู่ความวทุกข์เราประเภทกิเลสเราเยอะจัดก็ต้องเอาแบบพิสดานนี่แหละงั้นเราต้องท่องสันเลกาธรรมสี่สิบสี่เขาไว้เราจะได้รู้จะได้กักกิเลสทุกตัวให้ได้เพราะกิเลสเรามันเยอะมันมาทุกแง่ทุกมุมเราก็ดักมันทุกแง่ทุกมุมเลยดีไม่ดี อย่างนี้เป็นต้นโอ้โหน่าจะเรียนธรรมะกันสักเดือนหนึ่งอพวกเราเนี่ยฮะอะไรนะ<อ>ยังไงให้รู้ไงให้แยกแยะให้ออกว่าอะไรเป็นกุศลอกกุศลแยกให้ถูกใช่ไหมการนำมาไปประพฤติปฏิบัติได้นี่สำคัญที่สุดไ ม, ไม่รู้พระจะอยู่ด้วยหรือเปล่า เอามีอะไรถามไหมมีข้อไหนจะถามมึงไหมไม่มีแล้วมั้งอ่าไม่มีเดี๋ยวอุทิศส่วนกุศลกัน